เรื่องพุทธะทานายความฝันที่เป็นจริงตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความหนวยพรสิริสวัสดิ์พิพันมงคลความสงบความพระสุขทุกประการจนบางเกิดมีเดจญาิโยมพุทธบริษัท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 ความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนํามากล่าวท่านหนึ่งหลายก็คงจะต้องมาคิดชะ น, นสนเทกันบ้างระหว่างทาไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าขานกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนา ยังมีงความฝัน16ข้อของรประจ่าปะเซนที่โกศลพระพุทธเจ้าเดินเล่าแต่ทานายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้ท้าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทานายปัทเทวนทำนายปัทเเวนปัทเวนก็คือปัเซนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้น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 ความฝันของนางมัตรีหรือว่ามัตทีคนอีสานว่านางมัตทีภาคกลางเรียกว่ามัตซีมัตทีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัตทีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัตซีใน่อนที่ทูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันกับเป็นความจริงดังฝันนั่นแหละ ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สั่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพยาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชิดดุดรในขณะที่ชูชกจะจงหลานหลงทางพลัดหลงขมานในเมืองในคืนนั่นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฝันก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั่น ใช่แล้วก็ความฝันต่างๆเหล่าเนี่ยมันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐานแต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันเป็นนบตน้นไม้กาบภูเขากราบท่าน้นําแผ่นดินคอยฝันเห็นเลขสองตัวสามตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็ไปนิมนต์ให้ท่านฝัน แล้วเกิดพระอระหันอัลลามุลขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีนป่ายกันไปเพื่อไล่ใครหยดหอบเก่งอยู่ค้องกินดีๆไปถวายพระอัลหมุลเหล่านั้นเพื่ออยากจะให้ท่านฝันถ้าอัลหันก็เลยกลายเป็นอรหมุลฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันแหละทีเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเอาขึ้นต้นวันที่เขาวากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงหรือว่าพุทธพระทำนาย ก็เลยเล่าเป็นแบทกล่าวเป็นไตเติ้ไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประธานาี่บอดีแอบราฮัมลิงคอลนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจริงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันออหลานการ ท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันมีอยู่หกประการหประการหนึ่งวาติโกสุบินังปัสสติฝันเพราะรมกำเริบธาตุลมมันกำเริบฝันป่วนในท้องในทรายนอนหลับไปฝันฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดี มันว่ปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆเตยมาอาบมันกํำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวในที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันมาตดยเองไปเยี่ยวไปอาบน้ําเยี่ยวมาเมื่อไหลอย่างนั้นนะจีกว่าวติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกําเริบปิติโกสุปินังปัสสติในอันที่สอง ฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายในในนะนะก็ฝันเสมีโกสปินังปัสติเสมหากกำเริบเป็นขีเกยืนนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละเต่มขึ้นมาก็เป็นจริงๆิงทีนี้มั น, ม, นมันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตุปสังหารโกสปินังปสติฝันเพราะเทพสังหอน ฝันพระเทพสังหาร น, นี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมทัทีความฝันของนางมทัทีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้เอ่วฝันพระเทพสังหอนหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่เทพสังหารเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองของญาติภูพัน กันมาด้วยบุญญาบรารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองของยากเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหลนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปัสสังหารโกสุปินังปสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังขอนอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโนตสุปิน่งปสติ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 ว่ามันเป็นจริงเป็นจังตืง่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปในระหว่าสมุทาจินโตสปินงังประสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสปินงังประสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสง์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขา บางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้มันหลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิแล้วไปเป็นสมาธิกัดเขี่ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบเกียรตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปเนี่ท่านฝันฮะฝันเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเส้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมาสองปีสามปี ส, ปสีปีห้าปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่า ตนเองนี่หเหาะเฮิร์เดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไปสานไปพบความช่วยสดงดงามกลุ่มก่อนเม่ปูเขาเรากามองเห็นผู่คนข้างล่างเยอะแยะเตือขึ้นมาในจิตที่กําลังเครียดอยู่กับการเพ่งก็ทําความเพียรวันนั้นสบายใจเหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติเคลมปัญญะแก้ก้ากันมาสมาธิสงบลงงับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี้เรียกว่าปุพหานิมิตโตสุปิยังปัสสติ เรียกว่าบุญบาปทําให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่ทางฝ่งายอภิธรรมก็มีเพิ่มขึ้นมาอกีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุพเพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอา อันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพหะสมุทาจินตาตมนิมิติกอสปินังประสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฝันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าเก่าซึ่งในชีวิตจริงเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนน่ะเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้อง ซึ่งเป็นคนละเชื่อชาติสัชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตรงป็นชาติก่อนอยู่ตรงนู้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นก่อนเป็นเพื่อนเป็นฟงการมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสื้อตัวนั้นตัวนี้ไวาฉันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้ฉันเนี่ยคือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆนู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟงกันเหมือนอย่างพระพาหิยะชีงงอชนตาย เรือแต่แก้ผ้ามาอยู่จากแปดเก้าปีลอยคลในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำเด็ดเจ็ดวันที่เมืองข่าทารุชิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอราหันต์ตนเองก็เลยส้วมบทบาทมาศพระอราหันต์มันเสลยตั้งตั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายกอดไม่เอาไม่นุง่งไม่ห่มทั้งนั้นเปลือยกายเลยคนก็เขารบบูชาสร้างวัดสร้างว่าให้ใหญ่โตโดเองก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลาเก้าปี ในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถาวายสักการะเราทําไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายแต่คิดของท่านยังยิ้มจ้องอยังจิ้งพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบสะกร้ามาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลบับท่านก็ฝัน แต่ในอัตกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พลอะอมุนอะไรดอกการกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเท่านั่นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนูน่นพระอรหันต์นูน่น เหนือนี่คือไปร้อยยีนะ่สิบยนครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัิถีมีวัดวาารามใหญ่โตชื่อเชตวันพ่อรหันตส์สสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอรหันต์จริงก็ตรงไปตรงโ น, น้นว่าอย่างนี้ถ้าเยาก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนอุปภสมุทาจินตานิมิติโก ว่ากันว่าในอัถกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมาจรรย์ด้วยกันสี่คนสามคนเดียวนี้ยังไปเป็นพ่อคาอยู่ทางเบื้องชายแดนคนที่สาคือพาหาิยะแล้วก็เรือแตกรอยคอมาเป็นพรออรหันเกนอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่สี่เป็นเทวดานั้นบอกว่าเดบรรลุอนาคามียเป็นนู่นสุทาว่านูน่นเป็นอย่างนั้น ก็เลยมามาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเห็นให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพะสมุทาจินตาในวิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคําว่าสมุทาจินาโตสุปินางปสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อซืนนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปละโลโกโลกอื่น ขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุ น, นั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้ที่ ว, ว่าปุพเพสมุทาจินาตาดิมิติโกสมุทาจินนโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์ก่อนดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก่อนเองทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ก็ต่อมาเอกมีคําว่าทาตุขโขพโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตแปลป่วนพระเวสตันดรเคยพูดกับนางมัชชี นามาทีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหอนเทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหอนสงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้และนอนางจะมีความทุกข์ืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพาจากเธอไป ในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้เพราะขนาดนี้ไอช้ชูชกกำลังแขวนไปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพุ่งนี้นางเข้าไปชูโชงก็จะมาขอเอาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คนงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลมากรากไม้่าเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้เกาะเลย เทวทูปสังหะโกสุติยังประสติเทวดาก็เลยสังหอนทำให้นางกาวลกาวายร้อนผ่าวอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพิกไปพิกมาเดี๋ยวลมร้อนร้อนก็พัดวูบมาจากเวงผานหน้าเขามาปะทะยอดไม้ปรายพึกมาถูร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมโอเวจีมหานรกนางแปลกใจกาวลกาวายลาบากลบากลบนใจเหลือเกินทาไมนอนไม่หลับ แล้วข่อนรุ่งนางก็ไม่หลับไปในขณะที่ไม่หลับไปนางก็ฝันฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันน่ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวก้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปะกลันเอาดอกไม้สีแดงคาดหัวหนุ่งผ่าเดียวสีแดงเสือไม่ใส่มือขวากำดาบมันวับเขาวปราบเลยมือซ้ายก็กระชาก ประตูยกตีนขึ้นกระเทือประตูเข้ามาหาหนางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนซีดมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหุยนางขอร้อง อ, อ, อ, อ้อนวอนขอพนขออภัยขอชีวิตเอาไว้เอ่คนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนศีดมือตัดเท้าตั ด, ตดแขนมะทันทีเลยพาออกแหวะ อ, อกเอาหัวใจออกมาค่ายีิควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูบดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน่าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแกชีวิตเราแน่แน่ความฝันนี้ก็เลย <c oughs> ไอ้ทามเวชชันดรยังไม่สว่างโเวชชนดอนก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าขาตุโขพโตสุ ป, ปินังปัจจิตมาชีเอ้ยว่างั้นดูก่อนพระนามความฝันของพะนาง น, นั้นเพระาะธาตุแปลกปลวน เคยอยู่ในพระบรมหาราชตวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขข่ำกลางพรมอนันนุ่มนิ่มยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่แบบดีนา ม, มาอยู่ในปา่าไม่เค้ากินเผือกกินมันหัวมันลกูกไม้อะไรต่างๆนางคนทําอะไรไม่ได้เออย่างสมัยก่อนแล้วในที่สดท่ามันก็เลยแปลปว น, นก็เลยฝันไปทั่วเอาเอาเนยนอนไม่ได้ที่เรียกว่าทาตุขโขพระโตสุเปนนางปัสสาตีฝันเพราะทาาแปลปวนเนี่ย ความจริงนางฝันพ่อว่าเทวดาเทวดาสังขอนเทวดูประสังหาโกสุปิยังปสติแต่พระเวสสันดรก็ยักเอามาตอบว่าทาตุขโขพโตฝันพ่อข้าแปลปูนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันหนึง่งฝันอีกแบบนี่ยพี่ทรรมอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนก่อนให้เก็บมาให้ฝัน อย่างคู่ได้ยินเสียงตาได้เห็นหลวงพ่ออกพอแจอะไรต่างๆในกลางวันเรื่องในวันก่อนในนี้เคยก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้วฮะปีสิบปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาว่เอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยรวย่าอนุภูตะปุพพัตโตสุตินังปัสสติอารมณ์ที่ไหนสัมผัสก่อนเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สลบอยู่ในด้วยกันได้เทวา อนุพูตรปุพาโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆใ น, นเก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคําว่าสมุทาจินาโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรื่องเทวะโตประสังหะระโกเทวดาสังหอนบอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคําที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทีเดฟันเทวเทวัทูประสังหะระโกสุปินังปฏิอันเดียวกัน ภูพันิมิโต้อำนาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าในในในในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีจุดสี่อันแล้วฝันแบบพระสูตรแบบวัจจะกระถายไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่หกอันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สั์ผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุหกอันวาติโกสุปินังปัสสติฝันจาก เพราะลมกำเลิบปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเลิบไ ป, รปโรงพยาบาลบ่อยๆทุ่งน้ำดีอาเซไปอะไรต่างๆตาเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่สามเซมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเซมหะกำเลิบเป็นคีกระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆก็ฝันอันที่สีเทวตูปสัซฮารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหฮอนอยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุน้นไม่เคยรู้จักแต่เป็น เมื่อกับรู้จากการมาบอกเฮบอกลาอันจะเกิดขึ้นอันนั่นจะมีไหมอย่างนี้อันที่หาสมุทาจินโตสปินังปัตติฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่หกปุพพานิมิโตสปินังปัตติบุญบาปได้ทําไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันอย่างไปอย่างนี้หกอันนี้จะรวมมาแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมันเก็บโน่นมาเก็บนี่มามันก็มีมีประมาณสักสิบเอ็ดอันแล้วก็สรบลงด้วยกันได้ เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลกประหลาดคงจะมหาสารมากว่าอะไรคือความฝันนอนอยู่ดีๆฝันไปโน่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันฝันด้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันในจริงบ้งฝันไม่เกี่ยว อะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทีนองเนี่ยเพราะเหนั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี้เราเอานามาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตมามาหลายทิศหลายทางทางมุกดาหารงก็ดีทางเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องอืม พุทธธรรนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนพูดเท่าผู้แก่กอยากแกฟังก็เลยไตยเต้นมันตะยาวจืดเลยเพราะวา่าความฟันนี้มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบอดีลิงคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนที้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปดคาดเลิกคาดออกมาแบบสมัยพระเจ้า อยู่หัวพิยมหาราชของเราพอดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนออฟอเมริกานั้นกตดที่คนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไปสิบวันประธานาธิบดีลิงคอนนี่ได้นอนหลับไปเพราะคนนี้เป็นคนขยันมากไม่ได้เลิกงานมาดึกๆๆกยังฟ้าฟื้นเองนะชาวบ้านได้เห็นแก่ฟ้าฟื้นนะประธานาธิบดีฟ้าฟืนแต่ไมก่อนโลกมันยังไม่จริญ อาฟืนเสร็จอ่านอับท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันฝันยังไงจงแม่แค่ฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายไลไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวงังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทาลายไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมขืนของพระทมทุกเหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลําบาก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 พอพูดอย่งบี้ท่านบอกว่าเอชอบก่นก่อปัญนาที่บดีก็คือเรานี่เองแต่ทําไมเรายังยังดูปัญนาที่บดีไหนอีกและท่านก็ตื่นเติร น, นมาก็ซึมกระทืบคิดเอ๊ะทําไมมันฝันอย่างนี้ทําไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลาเจ็ดวันแปดวันถึงวันที่เก้าเช้ามาวันที่เก้าแต่เลยนั่งรถมาไปกับสีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามอมู่นี้รู้สึกว่าเห็น หาท่านประธานาธิบดีงเงียบเหงางซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจ้าไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในเจตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคองก็บอกว่าอืมฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นแหละเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหาความฝันนี่เป็นจริงเรื่องราวในสักตนนั้นในคำพี ไบเบิลในคำพีศาตนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวไหลจนเกิดไปยภรรยาหามว่าเชิญฝันว่าอะไรท่านก็นเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายน า, นานได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโวยหวน ว, วิเวกวังเวงน่าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเข่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องข่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนคมระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็ไมไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์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 ละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็เงยบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนใช้หรือว่าใช้นั้นจบอาตมาเคยจาได้ตอนเป็นคาราวาห์พอใช้จบก็คาราพูท้เจ้ารถทุกคนลุกทุกนี่ยนี่ก็เหมือนเมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็นเงบ แล้วก็ยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญเท to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ e n to the Chief จบลงไปท่านก็นยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญนั่นะพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนสายหัวธรรมปนาเทพบดินเลยและก็กตายมีความฝันนี้ก็เป็นยิงอีกแหละ เพราะเหตุนั้นทําเป็นเล่นเปนนท่าติสาร์จนตัางหลายความฝันเป็นจริงก็มีอาตมาจึงอ น, นํา ม, มาเล่าโสศท่านต่างหลายฟังนี่คือความฝันที่ที่ที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกจุปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้ว จ, จะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระจ่าประเสนที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปอย่พูดวันใหม่กันต่อไปเอืมไ <c oughs> <c oughs> ปรีบไปร้อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝัน ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา ส, สัมพธิยานไปเปิดพระไตรปิฎกฉัตรโสพภมาณวักปัญจการใบาตังคุตตะในกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสิบข้อดิ่หนึ่งร้หน้าที่สองเจพระพุทธเจ้าทา่านเคยเล่าให้แก่พิสุทธ์ั้งหลายฝั่งว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เราอย่างเป็นโพธิสัตว์จบความฝันอันยิ่งใหญ่ ห้าประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่านว่าอย่างนี้และทางกาเล่าให้ฟังข้อที่แรกนั้นท่านฝันเห็นตนเองนนอนคับแผ่นดินเอาหัวดิเอาเขาสนเสนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขนเหนยมือเท้าสองข้างย่อลงในมหาสมุทรทั้งสิทธันว่าอย่างนี้สตัตวายังมหาปทวีมหาศยานังอโหสิมหาปทวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไปสารมหาสนางังนอนคับแผ่นดินเลยท่าว่าอย่างนี้ แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกย่าย่าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงถึงฝ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินะชาติจะเรียกว่าย่าอะไรย่าย่าย่าตินะชาติย่าติริยานามเขาแปว่าเป็นย่าคากันแล้วกันบางคนก็เรียกย่าคาว่าย่ากุศ กูซาได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอมๆนะ น, นิ่มๆเป็นตาหนั่งแต่ติริยาเนี่คงจะเป็นญ้าขาบอว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่ขึ้นไปทะลุฟา้าข้อที่สองยังมีอีกที่จุดตัางหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกจะบอกว่าปุ๊น่ะจะป ร, ะรังพิกเวตถะคัตสระคะโตสมาตะพุทธสระปุเพวสัมโพธานะสัมพุทธสัพโพ ธ, พ ธ, พธิสัตตัะเสวะสโตเสตาเกมีกัญหาสิงสา ปะเทหิอุสกิตาวายาวาชานุมันทลาปฏิชาทเทซึ่งข้อภายผู้ภาษาบาลีอย่างเนี้แต่ว่าพิสูจน์ต่างหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายัางไม่ตัดสู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นเราเราได้ฝันเห็นนอนตัวข า, ขาวๆเสตากิมนีนี่เสตากิมีกิมีกิมีชาติโดยว่านอนนอนตัวข า, ขาวๆกันหะสีสาหัวดำๆกันหังไปปบดดำ กันหาศีรษประเตยอุวสกิตตวายาบชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบานอกว่าหนตัวเขาขาวหัวดำดำคานโยเยียขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเขาของเรานะแล้งก็บอกว่าข้อเอนืนมีอีกข้อที่สีท่านฝันเห็นนกบินมาจากทิศ ต, ต่างๆสีต่างๆกันจากตาโรสกุณานานาวัรณนานาวัรณ า, า, าก็เรียกว่ามีสีต่างๆกันนก บินมาทั้งสี่ทิศเจตารสกุณานานาวรรณาเจตูหิที่สาหิอาคันตาวาปาทมูลเลนิปติตาวาสภเส ต, ตาสัมปชิงสุขนกซึ่งบินมาจากที่ ต, าตา่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาวรรนาบินมาทั้งสีทิศมาแล้วก็มาหมอบลงที่ใต้ตีนใกล้ๆตีนเนะีปาทมูลเลอาคันตาวาปาทมูลเล ปติตาวะได้มามอบราบอยู่ที่เบื้องบาทของเราตถาคตสัพเพเตตาสัมปชินสุนกทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันมดูดท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายที่สุดทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองมูดกองคูดพูดง่ายว่ากองพูดง่ายว่า เดินไปบนกองมูดกองคูนก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเพราะเมื่อว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองคูนเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่นี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตัดสัูว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 มันไม่อยู่ที่กายเราจมาทรมานกายทําไมทุกโคนำมาซึ่งทุกอนาริโยมไม่ดีทางของพระอริยเจ้าอนัตตาสั้นยิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่านี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาทําความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบและไปสู่ปัญญาเพ่งเป็นนิตที่ละเอียดเราควรจะต้องจัด ก, การกับกายนให้มันดีมันงามขึ้นทัานก็เลยขันมาบริโภคอาหาร และพวกปัญจวัคคีย์ทั้งคก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตัดสรุพระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสุพมนาวักปัญจกรนิบาอังคุตรนิกากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้ยเก้าสิบหกหน้าสองร้อยหกสิบเจ็ดราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้พิสุทังหลายฝังว่าดูก่อนพิสุทงหลาย พอที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลครับแผ่นดินหัวเอาเขาสินินุราชเป็นหมอนมือเท้าทั้งสี่ทั้งสองข้างได้ย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เพราะว่ารแล้วพยายามใช้สำนวนชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปก็เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆนเพราะว่า ในสำรวมของพระไตรปิฎกมันซ้ํำซากคนจะไม่ใหม่ฟังแล้วก็เบื่อนหน่ายนัง่งนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เท่าบาังองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยัง่งว่าจะว่าเป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่พิกษุทัางหลายพิกษุต่างหลายความจองความบรรทัดนึ่งสองบรรทดัดภิกคุท่างหลาอีกแล้วอมันจะจักความเวารหุดเศร้าโบยจักอ่านว่าสันคืออยากได้ก็มีจะเป็นภาษาพี่น้องชาวพูทไทยเรา ข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่ครับแผ่นดินเขาเสนดุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตนั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบงำศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จะเกิดประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าจ่าคาแทงจาก สะดือทะลุถึงฟ้านั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพร ม, มลโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพร ม, มลโลกไม่มีใครสามารถที่จะขัดข้านเรียกว่าอภิวัติีญจังธรรมจักกังปวตเตตุต้งธรรมะจักอันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะขัดขานได้ ส่วนข้อที่สามที่ท่านฝันเห็นนอนข า, ขาวๆตัวดำๆไตเข้ามาโยเยตัางแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าสโตเสตากิมีกันหาศีรษะนอนขาวหัวดำท่านท่านกล่าวว่าต่อไปพระธรรมคำสั่งสอนเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาสยังปกครองยังครองบ้านของเรือนมีลูกมีผัวมีเบียกันอยู่นั้น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 จากนาคปรปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ห้องสอดแม่นัดพบผู้ฝ่ายทำกันจริงห้าร้อยกว่าคนมารวมกันที่วัดใตร้ร่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิสี่ชั่วโมงตอนหนึ่งวันนี่นึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเซตากิมีกันหาที่ซ่าปเที่อสกิตวา ยาวชานุมันธราปิชาเทสสงนอนตัวข า, ขาวขาวหัวดำดำคานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่าของเราตะทาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวโวกู่่วยยามพระพฤิปัจบัตบัตทมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรบรมีซึ่งตอนตอนให้เจริญก้าวหน้านำวิธีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคัลองครองธรรมของพระศาตรา ส่วนข้อที่สีที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสทิตหมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตารสกุานานานาวรนณ า, า, า, า, าจจตูหิติสาหิอคันตาวาปาธมูลเลนิปติตตะวาสภเสตาสัมปจิงสูงทั้งหมดนั้นข้าน่าว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวันณนะกษัตรินนะนะรย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทยวรณณะโสต จะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราแตถาคตกลายเป็นผู้ไม่มีวันนะเววันนิยมฮิอชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวันนะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหนุ่องขาวห่ม้ า, าก่อเหมือนกันมาหนุ่งเลื้งหน่องห่มผ้ากาสาบ้าพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาตั้งทิศทั้งสี่มามอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ฮั่นก็รู้ไว้อย่างเนี้ส่วนข้อที่ห้า ลาบตะกะละเสียงเยินยอเปรียบสเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโคอกแห่งอุจจาระมูดอูนเราเหยียบไปกองเขา้าภูเขาไม่แปดเปลื่นใจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาบตะกะละเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาดามาเบ้ามาอ่อนมาบอน มาการามาไหวสรรเสริญยนยอเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร่ค่าวไล่ฟันอย่างองคุลิ ม, มานอย่างพระเทวทัตกิ่งกอดหิสมาใส่โพ่งจองร่างจองฐานปล่อยช้างธนาบานมาไล่ข่าไล่เหยียบและก็ลูกชายพระราหุนทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัตํำฮิองคุลิ ม, มาละโจเลธนปาราเกราหุลเลจะสัพพะสมมานาโส ไม่ว่าจะเป็นช่างธนาบานที่ไร่คาพระเทวทัตุผูก้องล้างจองพนันองคุลิมานที่ไหลฟันลาหุนที่เป็นลูกพระพัทธสบมาณโศเรามีพระไทยสเสเมอเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียก ว, ว่าไม่แปดเปื้อนมลนทิไม่ว่าจะเป็นเสียงสนัสน์เยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็าชมเข้าใหม่นิยมดาหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนดาทั้งเมืองพระองค์ก็ไม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่ห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 จิตใจท้อแท้ขดหห่รันทดว่าเรานี่ทำไมน้ะช่างอาภัพวัตนะเละเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อหย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจเจริญก้าวหน้ามีแต่ฟุง้งหลังจากฟุ้งบางทีก่อใหม่ไม่มีความสุกใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจของมีศรัทธาเพลงทำได้ร้องให้น้ําตาไหลหนองหน้าร้องให้ในการประพฤติผอมจับแต่เสร็จแล้ววันหนึ่ง จิตของท่านมันทุกเต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรจะฝันได้เพาะเคลื่อนเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระท่อมปลาเขาลำนาวไผ่ช่วยสดพลดงาเห็นแม่น้ําที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ําผ่านไปจะข้ามเวนท่าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการ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 มันจะเป็นไปเองทําให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหารเทวโตประสังหารโตเทวดาสังหารบอกเหตุให้ลูกหรือว่าปุพัพนิมิตตตอํานาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอก่ายลักษณะเช่นนี้ดังที่นางมัธยีฝันนั่นดังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชอจะนําหลานเข้ามา สุภาพรบรมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุอนนครที่รุ่งเรืองด้วยโผขะนนั้นพระเจา้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมแต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้น ดอกบัว น, นั้นก็ร่วงพรูลงมาตรีบก็ดีเกรสรก็ดีเปลือยสลายร่วงลงมาสุระสุอกแล้วก็หอมกุ่นไปทั้งพระบรมมหาราชาวังชามาแปลกใจเอาหอนหลวงประจรําราชสํานักมาทํานายทายทักก็บอกโอ้พระศุขเขา่าพระเสาแสกจับแน่เค้นไม่มีอาเพศเพราะรมสมราสีอะไรหากจะเป็นโชคดี บุคคลที่รักศีสเสเนหาหลกล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นใ้ท่านในชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูโชันกระจูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่เคยจะสนใจกันทีนี้มาดูความฝันเอกอันนะึ่ในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุโยมทรงจำพรรษาที่เชตตะวันมหาวิหาร อารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นา น, นาพันธ์เกลือนกลนไปด้วยผู้คนผู้ไฟทาไปสแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชตแล้วอมาสร้างเป็นวัดตังจิงวัเชตตะวันมหาวิหารตลอดเวลายี่สิบกว่าปีพระองค์ทรงกเกษมพระํารานอาศัยเชตะวันมหาวิหารนานแต่เจนาน ประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนะักแล้ววันหนึ่งพระจเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวัตถีแขวนโกศี่ว่าพร ะ, จระเจ้าปเสนที่โกศก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เชา้าฝันไม่ดีฝันไม่ดีในพระตะบิดกจารลึกไว้ในมหาสุบินชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดหาง่ายหน้าที่ยี่สิบสแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคตแล้วมันก็จบเอาเรื่่วนแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยลายละเอียดเหล่านี้จากอัาจารย์จานที่อธิบายขยายความไว ที่นี่มันก็นมีขียันไว้ทั้งในภาคภาษาไทยกลางของเราเขียันเป็นสำนวนเป็นกาบเป็นกอนให้เราได้รู้ให้เราได้รู้แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้นังซื้ออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะอออให้จะพูดกันฟังเฉยๆมันก็จำกันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจำกันไม่ได้ก็เลยทาเป็นกาบเป็นกอน อย่างทางภาคกลางของเราก็ทำเป็นก่อนทางภาอีสานไม่แต่ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวพี่น้องสองฝ้าฝัา่งแม่น้ำของอันเป็นลุ่มน้ำที่จเจริญรุ่งเรือ ง, เรองด้วยไมตรีจิตวิภาพสันติภาพความสงบร่มเย็นสองฝาาฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาชาตินานก่อนอื่นใดในใจกลางของสวนนผม จะเรียกแถบนี้เมืองนิวัตดินแดนสีโคตะบูลหรือว่าสีโคตะมะปุระดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมบริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจักรล้านชาเมืองหลวงพระบางรัตนบุรีเมืองชวาระวะรัตนบุรีสีขณหขดโน่นเมืองหลวงพระบางก็มีเขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะ ได้ยินได้ฟังแต่นังซื้อเก่านังซื้อภูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทำอะไรไว้หยอนลองไปเปิดมหาสุบินนาชาดอกเอกันนิบาทคุตกานิกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อข้อความฝันว่าอุสุภาลุคข้าคาวิโยขาวาจะอัตโสกังโสศิคาลีจะกุมโพโปคลนีจะอัปากจันทนังลาบูนิซ่ทันติศิลาปละวันติ มันทูกโยกันหาสเปกิลันติกากังสุวรรณาปริวารยันติตาสาวกาเอลกานปัปยาหิปริยาโยวัตตินายทัมัทถิติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยยธัมัทถิติบอกว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะ น, นี้หามิได้แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคต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 ฝันเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแคสอกเป็นผลมันทำไมเป็นผิดปกติพี่คนพีการอย่างนี้ยังไม่ต้นโตโตก่อนที่สามคาวิโยขาวาจะฝันเห็นแม่โคออลูกมาวันเดียวไปจะดูดนมลูกในน้อยมันนะแม่มันจะกินนมของลูกลูกก็เลยไม่ให้แม่กินมันก็วิ่งหนีแม่ก็วิ่งตาม มันผิดปกติซึ่งมันไม่เคยมีอย่างนี้เอเคอรีสี่ก็ฝันอีกว่าอัตโซกังโซสิคาลีอืมอัตโซกังโซฝันเห็นมาสองปากสองปากมีดาบเดียวนะกินก็เป็นสองปากจะหายออกมาข้างเดียวกินเท่าไรไม่รู้จะอิ่มจะพออันนี้อีกอันหนึ่งต่อมาอีกท่านก็มาฝันเห็นโมน้ําหม้น้ํา เขาตั้งไว้เรียงรายฝนฟ้าตกมาหม้อเล็กๆไม่เต็มแต่หม้อใหญ่เสือกล้น <c oughs> นี่อีกอันนั่งเอีหนึ่งฟันหินสะนา ม, มีดะตะดอกบัวบานงดงามแต่ภายนอกเนี่ยใสแต่ข้างในกับขุนค้นแอนดี้มันจะใสข้างในข้างนอกจะขุนค้นแต่นี่ข้างนอกสดใสข้างในก็ขุนข้น แล้วก็ฝันต่อไปฝันเห็นเขาเอาไมา้แก่นจันแดงซึ่งมีราคาแพงๆที่สุดเอามาแลกกับ น, นมเปรี้ยวหรือถาดทองคาเอามาให้สุนัขนั่งเนี่ยฝันเห็นผู้ชายฟั่นเชือกเตยหนังตอนตะวันเจ็เย็นๆฟันลงไปวันลงไปย่อนลงข้างล่าง มีนางสุนัขนั่งอยู่ข้างหลางกัดกินกัดกินกัดกินฟันเท่าไหร่ก็ไม่ยาหมันไปเนี้ฝันเห็นลูกน้ําเต้าแห้งๆกลวงแต่จมลงไปในน้าไม่ฟูขึ้นมาแล้วก็ฝันเห็นแผนหินใหญ่หญๆเหมือนภูเขาดินลอยน้ําศิลาปละวันติดหึ่ศิลากอดขดานหินนักหมื่นล้อยรองน้าพูขึ้นจังตาโน่จังนี่ย ลาบูนิศีธันติหา่าคําเต่าหน่อยหน่วยแห่งนี่มันอยู่บนบกกลับเกิดเป็นของนักจุ่มจมล่งเผือศิลาประวันติศิลากอรอกอะดานหิตนักเหมือนกลับลอยลองน้าผู้ขึ้นจังสโนต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลันติควันเห็นงูหก ง, งูพิษวาดกลัวนางเขียดน้อยไล่กัด กบเขียดห่งประห้องอา่านโค้งสาลฟูงมุูงงูเผาพิษเนี่ยกลัวเก่งยากเดี๋ยวจะต้องอธิบายกันทีหลังต่อมากากรังสวรรณาปริวาระยันติหงคํานบหนอบไหวคันนาะนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาเพราะฉะั้นมันตรงกันที่เรีย้ยวขวากบเขียดหน่อยเพราะกันอา่านโค้งสารฟูงมุ้งงูเผาผิดเนี่ยกลัวเก่งยากหนูสิงทรรมตะว่าหาแมวบกดำก่มกล่าว ของอนอบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาบริวารกาหมู่หมู่ของมันนั่งรอบลอบ้อมหมู่เป็นบริวารกาท้าวาตะสาวกาเอลกานางพยาหิตฝันเห็นนางแพะบริน้อยฝันเห็นเนื้อไล่กัดเสือเสือคงพากันญาาเสือคองหนบหนอบไหวขันหน้าเนื้อหมู่สมัน แปลกประหลาดที่สุดไอ้เรื่องของมันยาวไปยิ่งกว่านี้ในเรื่องราวนั้นนะเราเอาไว้ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกสลพอฝันอย่างนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยตื่นมาก็หวาดกลัวเลยให้หอนโหนหลวงไปจำพระราชสํานักมาทํานายทายทักเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกหมอหอนหมอทํานายเนี่ยหมอดูคู่หมอเดารู้ไม่รู้ไม่รู้ละ่ะ แกมาฉันก็จะเดาขอให้แกเอาเงินมาจ้างฉันก็แล้วกันยิ่งพระเจ้าอยู่หัวมาให้ถามดีเว้ยมันต้องมีคําตอบไม่ตอบไม่ได้ขายขีหน้านเป็นหอนหลวงเดี๋ยวจะถูกตัดคอในที่สุดก็ต้องทํานายประสุขข่าพระเส้าเสกจําเนะเหตุเกิด อ, อาเพศเคาะลุมสุมราศีขอเดชบพบระบารมีตัวกปกต้าปกปกระหม่อมอจะมีสมาบรรดาศร์ต่างนาครยกพรยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอํานาจจะเคนข้า พระบรมวงศสานุวงศ์ยึดราชสมบัติยึดบ้านของเมืองไพ่ฟ้าอาณาประชาราชจะเดือดร้อนทุกย่ำยาพระองค์จะต้องแก้บนว่าเขาไปนั่นต้องบนบานสามก้าวเจ้าถุงเจ้าทาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทํำยังไงคนไม่ยิ่งหวาดกลัวแต่บอกพระเจ้าอยู่ว่าว่าเอาหมามาร้อยตัวช้างมาร้อยตัวมาแพะแกะมาอย่างละร้อยมาเชื อ, อ, ชนนอกจากนนั้นเอาเด็กผู้้หญิงเด็กผูชายอย่างละร้อยเอามาฆ่า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 พระสีอานเกิดขึ้นแล้วสาละพัดอย่างความโง่อของขดก็พากันหลังไหลไปแล้วมีพระสงฆ์องค์จ่าสักองเทศปลุกสํานึกให้ตื่นขึ้นพอจะตื่นขึ้นนอนก็ไปขวาเอายา น, นอนหลับมากินกินชนิดนี้จะตืน่นไปปลุกตื่นขึ้นออกไปกินยี่ห้อใหม่ไปเรื่อยเดี๋ยวยี่ห้อหนึ่งมาตัดกำตัดเวรเดี๋ยวยี่ห้อต่าเดี๋ยวยี่ห้อสูงเดี๋ยวยี่ห้อยาวเดี๋ยวยี่ห้อสั้นเดี๋ยวยี่ห้อดําเดี๋ยวยี่ห้อแดงมาแล้วมาเอา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 ว่าคราเป็นนัทธพระเจ้าแผดินก็ใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชเอาช้างร้อยตัวมาร้อยตัวแพะแกะมาพูกระนึงพึ่งพืชไตหลักไว้หน้าพระลามหน้าพหน้าพระลานหลวงหลังจากนั้นก็สั่งให้เอามาบริวารไปจับเด็กผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยพระเจ้าแผนดินสั่งลูกใครไม่ว่าเพราะบ้านเมืองจะเกิดพินาศอาเพศเหตุใครแผ่นดินไว้ผูเขาไฟระเบิดเกิดสงครามสามมันตราต่างนครยุยกพยุขาแสนยากรมาช่วชิงพระราชอำนาจ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 ตะด้งตื่นตอนเช้ามาตื่นจากบรรทมได้ยินแต่เสียงร้องห่มร้องไห้ถามสนมนารีนี่มันอะไรกันแน่เมืองนี้ทั้งเมืองเต็มด้วยความทุกข์เหมือนกับอยู่ในห่วงแห่งมหันตภัยยิ่งใหญ่กว่าน้ําท่วมพายุเกตลมปักใต้ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินถล่มท่วมบ้านกระทูนปักใต้บ้านเหล่าซะอีกนางนี่ก็ถามโซนสนมนาลีก็บอกว่าเรื่องลาวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้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 ไม่มีปริยายทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นแก่โลกเนี่ยในอนาคตท่านไม่ต้องหวาดกลัวแต่ในอนาคตนั้นคนจะเสื่อมทามศินและธรรมซาตนาจะใกล้จะหมดจากสิ้นไปแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆโดยชนิดติลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเต็มไปด้ยวยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่คมเพ่งสิ่งกันและกันจะเบียดเบียนกันจะเข้นฆ่ากันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโลกสิเกิดเดือดหอนเที่ยวคุณ โลกที่เกิดเดือดห่อนสมใหม่ยังไฟโลกจึงเกิดเดือดห่อนเขียวคุณอลาหนคอบกคนบ่ถือธถ้ำที่ปุตตะองค์ส่งสอนใบองคพระศรัทธาไทยผู้ส่งงานโหหอมคีตมาท่างหนาปุ่นเมืองบานตีบุญบ่ายเขาเขียนไว้อย่างนี้ในหนังสื อ, อเป็นภาษาลาวหนังสือไทยน้อยหนังสือตัวทำใบลาน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 แม้ต่จะบันทึกเสียงสักชโชบงหนึ่งก็มีแต่คนมาหาหน่อยนั้นก็ออกไปแสดงคทำต่างสถานที่บางทีก็ต้องทําใจจืดใจดำํำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบางศึกษาควนคว้าไหลบงังคนมาผิดหวังก็จะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหยากเย็นเหลือกเกินนหะเรื่องของเรื่องเพราะเหตุ น, นั้นเราก็น่าจะได้มาพูด ก, กันในเรื่องอย่างนี้ให้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็ประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบราณท่านเป็นเจ้คนงมงาย ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมาท่านบอกวา่าเมื่อนาพุนเมืองบานตีบุญว่าพระพุทธเห็นเหตุถ่ายหลายอย่างฟองมนุษย์ไกลๆขอนสาสนาพุทธคนจิกองกันตายดับคอนเขาปั่มพระพุทธรงทําใดสร้อย่านตัดตองเพื่อให้ผงพี่นองพ้อวแล้วให้หินตองพระพุทธองค์ทรงเทวดไวยข้าวกี่ก้อนหลังตั้งแต่ขังพระพุทธบาทโคดมยังคอยทรงพระเกษมลํารานอยู่พระเจดตะวันพุ้น อง์มหากัะไทยปัจเสนพญา ย, ยิ่สาวัถี ย, ย่กว่างพระองค์เจ้านางฟองผากกระสรองเสบสางกระสราดของมือถือสินถ้ำเทียงจริงจำมันในคืนนั่นพระองค์ฝันประหลาดต่างนี้ละมิดนั่นพ่อขอนไกลขันจนจะสว่างคงนอบจนจะสว่างและฝันออกเกินมาสบันฝันต่างนี้มิดเหลือที่ทุ่นทุวงคิด องขวัญหาแจงพักก็เนียงไปไหวสะพนยูให้ตะกรองข้องพระฝันประหลาดลาวข้าวนี้เป็นอั่งไรเดยน้อเนี่ยเขียนกันแบบนี้ในในในสมัยโบราณในหนังสือผูกหนังสือใบลานแต่ไม่ได้เล่าเล่าไปถึงว่าเอาคนมาผูกมาจองเพื่อจะเชิดค อ, อบูชายันแก่บนบานสารเก่าวเพื่อจะทําทําลายอาเพศเหตุภยตัยเหล่านั้นสะเดาะเคราะห์แต่เพื่อดูว่าเมื่อฝันแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเลย แต่ในระดับอศกตถาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้จะเอาคนมาฆ่านั่นจะมีคําว่าแพะรับบาปแพะรับบาปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าฝันอะไรถ้าทาอะไรเนี่ยจะต้องมาแก้บนบานตรสังเกตคนที่เดือดร้อนสัตว์ที่เดือดร้อนคือแพะในประเทศอินเดียแพะเยอะนะเอาแพะนี่แหละมาฆ่าบูชาอย่างจึงมีคําพูดตอปากมาว่าแพะรับบาปแพะรับบาปใครฝันอะไรไป่ดีเลยอาเพศให้ภัยไม่ดีเลยอะไรต่างๆเอาแพะมาฆ่าอีกแล้วจึงมีคําว่าแพะรับบาป เทนี่พนางมาลิกาก็ได้บอกพระเจ้าเยหัวปเปเสนิโกศลว่าเราน่าจะไปที่เชตะวันหาพระศาสตรดาอาเพศเหตุภัยต่างๆหมอโหอนเหล่านี้คงไม่เก่งเกินพระศาสตรดาแน่ๆก็เลยไปหาพระพุทธองค์ก็บอกว่าโอ้นี่มันไม่เป็นอะไรหรอกในยุคของพระองค์ไม่เป็นอะไรพระพุทธองค์ส่งบอกไหวยวาวิปริญญาโนวัตตินยทธมัที สีบอมีเหนี่ยวใด้เกิดเป็นเขสหายประการใด้ใดแถบปัจจุบันสบายอยู่ปัญญาโลกเกออนาคตัสมิงหากจะเป็นเหตุหายไหน่าโลกคุ้นท่านเอ้ยเน่ว่าอย่างนี้ปัญญาโลกเออนาคตสมิงแต่เป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตในขณะนี้ยังไม่มีอะไรแช่ว่าอย่างนี้ปัญญาโลกเกอนาคตัสมิงหากจะเป็นเหตุหายไหน่าโลกคุ้นโลกสิเกิดเกิดเบล่อนไฟสิไหมจีเผว พอเท่านั้นทักกะไขโอกแกวเทศเถิตนาธรรมบอเมเนคนข้ามขัวหาดาวมาไมีแจ้งคนแสดงไขไว่ในถ้ำมหมวดผัสพูดมหาสุบินชาดกบอกวัยไขหัเหลืองเล่าเอกริบาทแห่งกระสวดหมวดคุตการในกายพระไตรปีตกบาลีเหลี่ยมทีทราเจ็ดนั้นข้อทีเจ็ดสิบเจ็ดอมทั้งห้อมลงหนาทราบสีเพิ่นได้ซีบอกไวัยแห่งข้าวหูปัดเถื่อนรุ่นอันมีภูเขาว่าเอาเองได้เดี๋ว่าเอาเองก็เอาจากพระไตรปีดอกนั้นแหละ คือต้องกาหลักฐานสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิควิชาการ